45, สี่สิบห้าพันษาของพระพุทธเจ้าพระนิพน์สมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอาริษนายก วิญญาณมนโนและจิตในสองพิดกเมื่อจะจัดเข้าในขันห้าหรือว่าจัดขันห้าเข้าในหมดเจตสิกวิญญาณจัดเข้าในหมดจิตเวทนาสัญญาสังขารสามนี้เป็นเจตสิกเจตสิกทั้งปวงนี้เมื่อย่อนย่อลงแล้วก็ย่นย่อลงในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหมด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 วิญญาณมีความหมายอย่างหนึง่งมโนมีความหมายอย่างหนึง่งดังที่แสดงแล้วในอนัตตลกขณสูตรและในอาธิตะปะริยายสูตรกราโบย่อในอนัตตลกขณะสูตรวิญญาณนั้นเป็นขันห้าข้อหนึง่งซึ่งตกในลักษณะของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังที่ในพระสูตรนั้นสอนให้รู้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตา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 ถ้าหากว่าแยกเสียนที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่สับสนพิจารณาดูในคมภีอภิธรรมนั้นท่านต้องการแสดงเพียงขันหเท่านั้นคือจาแนกขันห้าออกไปอย่างวิจิตพิสดารวิญญาณก็จาแนกออกไปเป็นจิตต่างๆอย่างวิจิตพิสดารและเวทนาสัญญาสังขารก็จะแนกออกไปเป็นเจตสิกถึง52จากสไปเป็นห้าิบ แล้วรูปก็ยังจำแนกวิจิตพิสดารออกไปอีกมากมายฉะนั้นเมื่อจับได้ว่าท่านต้องการจะอธิบายธรรมะแค่ขันห้าให้พิสดารท่านจะเรียกว่าจิตว่ามณนะหรืออะไรอะไรก็ตามเราก็เข้าใจไปตามที่ท่านประสงค์ก็เป็นการไม่ยุง่งแต่ก็ไม่ควรจะไปอธิบายให้ปะปนกันและที่ท่านจำแนกจิตไว้ถึง89ดวง ก็้วยยกเอาเจตสิกขึ้นมาเพียงสาข้อเท่านั้นคือเวทนาหนึ่งญาณะความรู้หนึ่งสังขารคือตรงขึ้นเองหรือว่าต้องกระตุ้นเตือนหนึ่งเจตสิกมีถึงห้ิบสองยกขึ้นมาเพียงสาข้อยังแจกออกไปได้ตั้ง89คราวนี้ถ้ายกทั้งห้าิบสองก็จะได้จิตนับหาทวนใหม่เพราะฉะนั้นจิตที่แจกไว้นั้นก็หมายความว่า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 โดยที่สุดแม้ในฐานะเหมือนอย่างเป็นวรรณคดีและการสันนิษฐานโดยเหตุผลนั้นก็มีทางที่จะพึงทําได้การที่นํามาเล่าก็จะเล่าไปตรงๆ ต, ตามที่ท่านแสดงไว้ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องปฏิสนธิและจุติเป็ น, นพิเศษเก็บจากที่ท่านแสดงไว้ในปริเชีต่างๆปฏิสนธินั้นมีสคือ 1. อปัยยะปฏิสนธิ ปฏิสนธิในอบายอบายแปลว่าพบชาติที่ปราศจากความเจริญสองกามปฏิสนธิปฏิสนธิในพบชาติที่เป็นสุกติชั้นกา ม, มาพจนรคือยังอยัางลงในกามสามรูปาวจรปฏิสนธิปฏิสนธิในพบชาติที่เป็นรูปาวจรคือยังลงในฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์สี่ อรูปาวาจรปฏิสนธิปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นอรูปาวาจรคือยังลงในชานที่มีอรูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอบายนั้นท่านแสดงอบายภูมิคือภูมิชั้นที่เรียกว่าอบายไว้สี่ได้แก่หนึ่งนิระยะแปลตามสัตว์ว่าที่ที่ไร้ความเจริญเราแปลกันว่านรกสอง ติราชานโยนิกำเนิดดิราชานได้แก่สัตยราชานทุกประเทศ 3. เปตะวิสยะวิสัยเปรได้แก่ภูมิพบของเปรหมายถึงสัตว์จําพวกหนึ่งที่เกิดมาเพื่อรับผลของกรรมที่เป็นส่วนเศษเช่นว่าเมื่อไปนรกแล้วหลุดจากนารกแต่เศษของกรรมนั้นยังไม่หมดก็ต้องไปเกิดเป็นเปร ใช้เศษของกรรมไปจนหมดก่อนสอสุรากายแปลว่าสัตว์ที่มีกายไม่กล้าก็น่าจะได้แก่พวกผีต่งตางๆไม่ปรากฏกายออกมาโดยเปิดเผยสีจ่จำพวกนี้เรียกว่าอบายภูมิปฏิสนธิในสัตว์ทั้งสี่จำพวกนี้ก็เรียกว่าอปายะปฏิสนธิส่วนมนุษย์กับสวรรค์หกชั้น ตั้งต้นแต่ชั้นจาตุมหาราชจนถึงชั้นปรนิมะ ว, ะวิตวสวรตีรวมเป็นเจ็ดทั้งมนุษย์นี้เรียกว่าภูมิสุขติที่เป็นชั้นกามาพรจรเมื่อปฏิสนธิในเจ็ดจำพวกนี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิในกามสุขติเป็นกามสุขติปฏิสนธิฉะนั้นเมื่อรวมอบายภูมิสี่กับกามสุขติภูมิอีกเจ็ดเป็นสิบเอ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 ถ้าเป็นกุศลวิบากจิตที่เป็นชั้นอ่อนก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งโทรพลวิการหรือว่าขาดแคลนดังเช่นตั้งปัญหาว่าคนที่มีสติปัญญาทึบที่สุดหรือใบ้าบ้าเสียจริตนั้นเกิดด้วยกุศลจิตเช่นไรมีท่านก็ตอบว่าเกิดด้วยกุศลจิตที่เรียกว่าทุเหตุกข์แปลว่ามีเหตุสอง เหตุที่เป็นเหตุฝ่ายกุศลนั้นกล่าวเป็นชื่อไว้สามคืออโลภะอโทสะอโมหะดังที่ได้แสดงแล้วแต่ถ้ามีเหตุเพียงสองคืออโลภะอโทสะแต่ว่าขาดอโมหะคือแปลว่าขาดปัญญาอาจจะหมายความว่า ม, ามีน้อยก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เกิดมาเป็นคนทึบมากหรือว่าใบ้บ้าเสียจรึก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 ก็ตัดรอนให้เป็นไม่ดีตรงกันข้ามทีเดียวถ้าจ้ ก, กนกรรมแต่งให้เกิดมาไม่ดีก็ตัดรอนให้กลับเป็นดีตรงข้ามทีเดียวบางทีก็ตัดรอนถึงชีวิตคือควรจะได้จัถึงอะไรสักอย่างหนึ่งก็มามีอันเป็นให้สิ้นชีวิตลงโดยฉับพลันกมจัาแนกโดยกิจคือหน้าที่เป็นสีข้อหมวดที่สองจัแนกโดยการที่ให้ผล ได้แก่หนึ่งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้สวยผลในปัจจุบันสองอุปชะเวทนียกรรมกรรมที่ให้สวยผลในภพหน้าที่เป็นอันดับจากภพในปัจจุบันสาอปราประเวทนียกรรมกรรมที่ให้สวยผลในภพสืบสืบสีบสอโหสิกรรมกรรมที่ได้มีแล้ว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 กุศลแรงนะักให้ผลในภพชาติปัจจุบันอุปจะเวทนียกรรมกรรมที่ให้สวยผลในภพหน้าซึ่งเป็นอันดับจากภพนี้ก็ได้แก่อนันตริยกรรมในฝ่ายชั่วหรือว่ามหากัตกรรมในฝ่ายดีหมายถึงการได้สมาธิอย่างสูงเป็นชั้นรูปฌานและอารูปฌาน คือถ้าประกอบอนันติยกรรมในฝ่ายชั่วก็ให้ผลคือว่าไปนรกในภพชาติอันดับนั้นทีเดียวถ้ามีมหัศคตกรรมดังกล่าวในฝ่ายดีก็ไปเป็นรูปพรมอารูปพรมในภพอันดับไปทีเดียวอปราประเวทนียกรรมกรรมที่ให้สวยผลในภพเป็นอันดับนั้นก็หมายถึงกรรม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 แต่ว่าท่านสิ้นพบสิ้นชาเสียแล้วฉะนั้นกรรมดังกล่าวก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลอันนี้ก็เรียกว่าอาโหสิ ก, กรรมเหมือนกันรวมเป็นสี่ข้อจัดเป็นหมวดหนึ่งตามเวลาที่ให้ผลอีกหมวดหนึ่งจัดตามน้ำหนักที่ให้ผลคือ 1. ครุกรรมกรรมหนักสองอาสำนักรรมกรรมที่ใกล้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 ของที่หนักก็มาถึงพื้นดินก่อนของที่เบากว่าก็หล่นลงมาถึงพื้นทีหลังกมทั้งสี่นี้เหมือนกันกมที่หนักก็ให้ผลก่อนกมที่อ่อนก็รองรองลงมาแต่ว่ากอเปรียบเทียบอันนี้เคยถูกค้านคือถูกค้านว่าไม่ถูกเสมอไปที่ว่าโยนของลงมาและของก็จะตกลงมาตามลำดับน้าหนักเพราะว่า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 เพราะฉะนั้นจึงรวมกรรมที่แบ่งตามกิจไว้สี่ข้อหมวดหนึ่งตามเวลาที่ให้ผลสี่ข้อหมวดหนึ่งตามน้ําหนักอีกสี่ข้อหมวดหนึ่งก็รวมเป็นสิสองเรียกกันว่ากรรมสิสองอีกอันหนึ่งคือเวนคําว่าเวนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นสืบมาโดยตรงจากกรรมชั่วคือเมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่ว ซึ่งหมายความว่าจะต้องไปเบียดเบียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นว่าเมื่อไปฆ่าเขาทำร้ายร่างกายเขาก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายร่างกายหลักทรัพย์เขาก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ต้องถูกหลักศัพย์ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่สองซึ่งต้องเป็นตัวกันคือเป็นผู้รับผลแห่งการกระทาของบุคคล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 จนถึงชั้นลูกก็ยังรู้สึกเป็นศัตรูกันชั้นหลานก็รู้สึกเป็นศัตรูกันมีโอกาสขึ้นเมื่อใดก็แก้แคนขึ้นมานั้นนี่ก็ผูกเวงสื่อกันไปหลายชั่วคนอันที่จริงในด้านดีก็เวงเหมือนกันแต่เราไม่เรียกว่าเวนเราเรียกว่าความกตัญญูกะตะเวทีเหมือนดังเมื่อบุคคลที่หนึ่งทาคุณให้บุคคลที่สอง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 ทั้งสองมีลักษณะเป็นทำรนองเดียวกัน